การรู้ที่ดีต้องรู้ถูกต้องในสามการวงเล็บเปิดยเมษายนสอ5พัในวงเล็บวงเล็บปิดการรู้ที่ดีต้องรู้ถูกต้องใน3การคำว่าสามการหมายถึงสามช่วงเวลาก่อนจะรู้อย่าอยากรู้ถ้าอยากรู้มันจะเที่ยวควานหาพวกเราเวลาหัดดูจิตรู้สึกไหมเริ่มต้นก็เที่ยวควานอา้าวต่อไปทุกคนนั่งสมาธิหลับตารู้สึกไหม จะส า, สายสายสายเที่ยวควานก่อนจะรู้นี่ถ้าจงใจจะรู้เมื่อไหร่นะมันจะถลำลงไปรู้มันจะเที่ยวถลำไปแต่มันยังไม่เจอว่าจะรู้อะไรมันจะเที่ยวไปควานก่อนเพราะฉะนั้นก่อนจะรู้อย่าเที่ยวสแสวงหาให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้เอาพวกเราพอเริ่มก็หาว่าจะดูอะไรดีสายซ้ายสายขวาไปเรื่อยวนหาไปเรื่อยหาไปหามาพอเจอปับ๊บเริ่มกระบวนการที่สอง ระหว่างที่รู้ถลำลงไปจ้องเลยคราวนี้จ้องจ้องจ้องจ้องเอาไว้อยากรู้ให้ชัดอันแรกอยากจะรู้สภาวะว่าจะมีอะไรให้ดูก็เที่ยวสแสวงหานี่ก่อนจะรู้ระหว่างรู้อยากดูให้ชัดอยากดูให้แจ้งก็ถลำลงไปรู้เห็นไหมเต็มไปด้วยความอยากพอรู้แล้วจิตมันเกิดปฏิกิริยายินดีบ้างยินร้ายบ้างให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันจิตจะเข้าไปแทรกแซงสภาวะเช่น กิเลสเกิดขึ้นก็หาทางละกุศลเกิดขึ้นก็หาทางรักษาความสุขเกิดขึ้นก็อยากรักษาไว้ความทุกข์เกิดขึ้นก็อยากไล่มันไปจิตจะทํางานต่อทํางานทั้งทางบวกและทางลบคือทั้งดึงเอาไว้และทั้งผลักออกไปการที่พอไปรู้สภาวะแล้วจิตมาทํางานต่อก็ถือว่ารู้ไม่เป็นอีกในขณะนั้นหลงไปอีกเรียบร้อยแล้วฉะนั้นก่อนจะรู้อย่าอยากรู้ถ้าอยากรู้จะเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ว่าจะไปรู้อะไรดี ระหว่างรู้ให้เห็นอารมณ์เกิดก่อนแล้วค่อยไปรู้นะพอรู้นี่ไม่ต้องอยากรู้ให้ชัดหรอกรู้เท่าที่รู้ได้ถ้าอยากรู้ให้ชัดอยากรู้ให้แจ้งจะถลำลงไปรู้กลายเป็นเพ่งจ้องอีกแล้วตอนแรกที่อยากรู้นี่เที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีจิตฟุ้งซ่านพอเจอก็ไปจ้องใส่อย่างนี้เป็นการเพ่งจ้องผิดทั้งคู่เลยผิดคนละด้านพอเจอแล้วจิตยินดียินร้ายขึ้นมาจิตจะดิ้นต่อ ตอนนี้จิตฟุ้งซ่านอีกแล้วให้รู้ทันลงไปความยินดีเกิดขึ้นให้รู้ทันความยินร้ายเกิดขึ้นให้รู้ทันในที่สุดจิตเป็นกลางพอจิตเป็นกลางต่อไปเราฝึกไปมากเข้ามากเข้าก่อนจะรู้ก็ไม่แสวงหาระหว่างรู้ก็จะไม่ถลำลงไปรู้รู้แล้วก็จบลงที่รู้ไม่ทำอะไรต่อจิตที่ตั้งมั่นอย่างแท้จริงจะดูเป็นจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไหลมาไหลไปโดยที่จิตไม่เข้าไปยุ่งด้วย จิตทำตัวเป็นคนดูที่แท้จริงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องสักนิดหนึ่งก็ไม่เข้าไปแทรกแซงฝึกอย่างนี้นะนานๆไปเจ็ดวันเจเดือน7ปีอะไรอย่างนี้ฝึกไปถ้ากำลังมันพอมันก็รวมเข้ามารวมเข้าอัปปนาสมาธิเกิดอริยมรรคขึ้น